สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสิหกเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่หนึ่งครับพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามโปรดฟังพจนะของพระเจ้าคำอธิษฐานของพระเยซูท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งท้าพรงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรองคทั้งหลายในการวันนี้แต่ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรองเหมือนข้าพรองยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพรองนั้นแต่ขออย่านำข้าพระองเข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งทั่วร้ายเหตุว่าราชธรนาศฤหเดชและพระศิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอามีทีนี้ครับวันพุทธที่18นะครับวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลเลนครับเทศกาลเลนนั้นเป็นเทศกาลที่เริ่มต้นจากวันพุธนะครับและวันพุธวันแรกนี้ถือว่าเป็นวันพุธรับเท่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ash นะครับ h แปลว่าที่เท่านะครับ Ash Wednesday ก็คือวันพุธครับเท่านั้นเองคี่น้องครับวันพุธรับเท่านี้นะครับและเทศกาลเล่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำเรียกว่าถือศีลปดนะครับตามประเพณีของคริสตจักรที่ได้ประกอบกันมาเป็นเวลานานมากนับพันปีทีเดียวคำว่าเล n นนะครับก็คือแปลว่า ลอง Spring Day หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับก็วันที่จะยาวขึ้นนะครับในเทศกาลหรือวันฤดูใบไม้ผลินะครับคำแปลของเลนสนะครับแปลว่าลองสปริงเดย์ท่านพี่น้องครับเรารู้ว่าเล n ส์ั้งเป็นเทศกาลแข่งการที่เราจะต้องอธิษฐานเราจะต้องสารภาพบาปแล้วต้องกลับใจใหม่แล้วต้องสำรวจพิจารณาชีวิตของเราแลวก็ นำไปสู่การเข้าใกล้พระเจ้านำไปสู่การทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระเจ้านำไปสู่สิ่งต่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราด้วยการอธิษฐานนะครับด้วยการอดอาหารด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยโระเจนะนะครับด้วยการมอบชีวิตปรนนาตัวอยู่ภายใต้การถือศีลอดนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้นั้นประกอบกัน ทำให้ดึงเราเข้าใกล้พระเจ้าดึงเราเข้าใกล้พระคุณของพระเจ้าดึงเราที่จะเห็นพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละปีแต่ละปีครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันแรกครับวันพุธรับเท่าผมจะขออ่าอัญเชิญพระชนะของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัลคิวนะครับบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามนี้ซึ่งเป็นคําอธิษฐานของพระเยซูเพื่อที่จะ ให้กำลังใจพี่น้องครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นถือว่าเป็นคําอธิษฐานที่มีความสําคัญมากนะครับดรโชยองจีนั้นซึ่งเป็นศิษยาภิบาลของขึ้นจักรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคขึ้นจักรเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคําอธิษฐานนะครับผู้อย่างนี้นะครับว่าทุกๆวันผมอธิษฐาน ไปรอบๆเช่นเดียวกับนักวิ่งที่วิ่งไปร อ, รอบสนามแข่งเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ผมอธิษฐานไปรอบๆวันละหลายครั้งคําว่าอธิษฐานไปรอบๆนั้นคือการอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูวันละหลายครั้งครับพี่นะครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณสูงมากนะครับคนหนึ่งได้แนะนําให้เราใช้คําอธิษฐานของพระเยซู อธิษฐานวันละหลายรอบครับแต่เขาเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดอธิษฐานทําอธิษฐานของพระเยซูด้วยความจริงใจทุกๆวันวันละหลายรอบนั้นผู้ที่อธิษฐานนั้นได้ครอบคลุมวิธีพื้นฐานของการนมัสการพระเจ้านะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับผู้ใดก็ตามที่อธิษฐานทาอธิษฐานของพระเยซูด้วยความจริงใจทุกๆวันผู้นั้นได้ครอบคลุมวิธีพื้นฐานของการนมัสการพระเจ้าวิธีพื้นฐานในการเติบโต วิธีพื้นฐานในการปกป้องชีวิตฝ่ายวิ ญ, ญญาณของเขาเช่นเดียวกับมเมล็ดภายในผลไม้นะครับเราต้องรู้วิธีปกป้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องรู้วิธีการพื้นฐานในการเติบโตในชีวิตของเราฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องอธิษฐานแล้วครอบคลุมทุกๆด้านในชีวิตของเราถึงครับถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่อสเสียนั้นจะอธิษฐานตามแบบพระเยซูอธิษฐานในทุกวัน มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใ่อครับเห็นไหมครับ <c oughs> ใครก็ตามที่อธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูนะครับอย่าลืมนะครับเราได้ครอบคลุมคําคูนขอทุกประเภทนะครับเม <c oughs> ื่อตะคู่นี้เราบอกว่าเราได้ครอบคลุมการการนำ้ำมศการพระเจ้าทุกทุกอย่างนะครับ <c oughs> เราได้ครอบคลุมพื้นที่ในการเติบโตพื้นที่ในการปกป้องชีวิตฝ่ฝายจิตวิญญาณของเราและเราได้ครอบคลุม คำทูลขอคำวิงวอนทุกประเภทที่จะสัมผัสชีวิตทุกด้านของเรานะครับการที่เราอธิษฐานนะครับทูลขอในทุกความต้องการของเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะเราจะละเอียดนะครับเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทูลวิงวอนกับพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากอยากจะบอกกับพระเจ้านะครับหลายคนนะครับไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาตลอดชีวิตของการ รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของการเป็นคริส เ, เตียนเพราะฉะนั้นที่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างละเอียดเราก็มีคําทูลขอมากมายครับและคําอธิษฐานของพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการอธิษฐานาวิงวอนนะครับคําอธิษฐานของพระเยซูจะสัมผัสทุกด้านในชีวิตของเราทุกด้านของการทูลขอไม่ว่าเราจะนำ้ำมศการเราจะอธิษฐานขอการทรงนําชีวิตที่จนนํานวนต่อพระเจ้าคอมมิตกับพระองค์ นะครับขอการยกโทษแสวงหาใครชนะเหนือความบาปและชิ้นสุดด้วยสงครามปล่อยวิ็นอย่างซึ่งเราจะต้องทูลขอการคุ้มครองนะครับให้เราพ้นจากมารร้ายครับพี่น้องครับถ้าว่าชีวิตของเราเป็นเช่นนี้และชีวิตของคนส่วนใหญ่ในขิตจักรของพระเจ้าขิตจักรของเราเป็นเช่นนี้พี่น้องครับการขับเคลื่อนจะเกิดขึ้อนอย่างแน่นอนครับขิตจักรจะต้องรับการพื้นฟูและขิตจักรจะทำการใหญ่เพื่อองค์พระบูพเพินเจ้าได้ นะครับเราต้องอาศัยพระคุณความรักของพระเจ้าพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระเจ้าในการที่เราจะมีชีวิตอีก40วันนี้ด้วยความตื่นเต้นครับโดยความรู้สึกท้าทายด้วยความรู้สึกว่าเราจะมีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับมีผู้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเพราะฉะนั้นศัตรูศัตรูหมายถึงมารสาตาดครับ จึงมักสอดแทรกความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการอธิษฐานให้กับทีสเตียนให้กับที่เสจักอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแก้ไขนะครับและสร้างความเข้าใจในเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูที่เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับซีรีส์สี่สิบวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานครับจะเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงวันฉลองชัยนะครับ พี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งการอธิษฐานของพวกเรานะครับบางคนนั้นใช้การกระทํานะครับเข้ามาทดแทนการอาธิษฐานเช่นใช้การรับใช้นะครับใช้การทํานู่นทํานี่นะครับในโบสถ์มาแทนการการอาธิษฐานครับบางคนก็อาจจะอธิษฐานแบบขาดความรู้สึกยำเกรงพระเจ้านะครับบางคนก็อธิษฐาน เพื่อที่จะเรียกร้องให้พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างให้บางคนอธิษฐานเจ้าร้ายมากขึ้นนะครับก็คือในลักษณะาาของการข่มขูพ่พระเจ้าเลยนะครับและบีบบังคับพระเจ้าด้วยให้ทําสิ่งที่เราคาดหวังว่าพระองค์จะต้องให้เรานะครับบางคนก็คิดว่าการอธิษฐานนั้นเหมือนกับเป็นการเขย่าบันลังนะครับเขย่าบันลังเพื่อที่ให้พระเจ้าเนี่ยนะครับทํททาตามความต้องการของเราบางคนก็อธิษฐานแบบเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเหมือนกับการสวดมนต์ครับท่อง นะครับท่องโดยที่ไม่ค่อยรู้และก็ไม่มีความจริงใจนะครับต่อคำอธิษฐานที่ออกมาจากปากของเขาพี่น้องครับหากว่าเราเข้าใจนะครับและเราตั้งใจที่จะเรียนรู้จากคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูนี่จะแก้ไขความยุ่งยากสับสนความเข้าใจผิดทั้งหลายครับและจะนำชีวิตของพวกเราไปถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งคำอธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับ พระเจ้านั้นทรงมีพระพปัญญาที่ยิ่งใหญ่ครับความสามารถของพระองค์ที่ตรัสถึงเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งโดยใช้คำเพียงไม่กี่คำจึงเป็นต้นกําเนิดนะครับของคำอธิษฐานแบบพระเยซูนี้นะครับผมจึงอยากจะให้ที่น้องได้มีโอกาสปรนนาตัวนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าสู่เลนต์เลน์นะครับหรือเทศกาลมหาพศหรือเทศกาลแห่งการรือศีลอดเพื่อที่เรา อีก40วันข้างหน้าจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าจะมีประสบการณ์แห่งการกดอาหารอาธิษฐานจะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะทนทุกข์ลาบากมากยิ่งขึ้นจะมีประสบการณ์ในการที่เราจะเข้าคอพระเจ้าเป็นความจริงที่แสนวิเศษเป็นความสุขความชื่นชมยินดีนะครับที่จะเปิดเผยกับเรากับประสบการณ์ชีวิตของเราและจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิ ญ, ญญาณของเรา และสามารถที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของพิษจากต่อไปขอพระเจ้าอวยพ ร, พรให้พี่น้องได้มีโอกาสปรับปรนตัวนะครับเราอาจจะอธิษฐานอดอาหารนะครับในช่วงที่อดอาหารนั้นอาจจะอดอาหารนะครับบางคนอดสี่สิบวันนะครับกินแต่น้ําผลไม้กินแต่ซุปนะครับบางคนอดในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือช่วงเจ็ดวันสุดท้ายนะครับของสี่สิบวันนี้บางคนอาจจะอดนะครับเป็นบางมือ อดเป็นบางวันนะครับก็แล้วแต่พี่น้องจะอดตามความเชื่อความศรัทธาความตั้งใจจริงของท่านขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังพี่น้องทุกที่รับทุกท่านอาเมน